หาเมียก็ไม่เอาเมียหาลูกไม่เอาลกูกหาหลานไม่เอาหลานนะตวัตวไขตกมันนนะไปเนะี่นี่ด้เดียวนี้หมายเดียวนีม่มันชุดยอดแล้วโอ้ <c oughs> ทำมันก็มีอยู่แล้วมีแต่ทำเต่ทำแตงเติมเตือนก่อนทำก้อนทำตัวไผ่ตัวมันตัวไผ่ตัวมันเราไปหากยาโดเออม่แต่ทำแต่ทำเนี่ยหาในตัวของเราหาเอาในในตัวของไผ่ของมันน่ะทำอยู่ในตัวของไผ่ของมันทำดีทำไม่ดีในตัวของไผ่ของมัน ไปหานะพูนนั่นพูนนี้ก็บวมเองอย่าไปเอาของเขาเอาของเราของเราของเราในตัวของไข่ตัวของเจ้าของเจ้าของอยางบทพระเจ้าพผนว่าเนี่ยนั้นอย่าไปดูคนอื่นคนนั่นคนนี้พังคนอื่นไม่ได้นะถ้าเราลูกทำเแล้วบท้องเปืองอาจารย์ดวงครูบาอาจารย์ดอกในตัวเราตัวเรารูก เปิดมังชีพันธมรคันลวงเราเป็นธรรมแข่งเดียวตัวไผ่ตัวมันหาเอานึ่ไปนี่ได้หรือเปล่ฮะเอาตัวไผ่ตัวมันหาเอาตัวไผ่ตัวมันถ้าอยากได้จะให้เอาตัวไผ่ตัวมันถ้ามีตัวสองไม่ได้น่ะตัวสอง อาอานินกัะตัวไาตัวมันผู้ชายกัะตัวผตัวมันก็มีสองแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้ไปเดียวดีไปถ้า ข้ามีช้อนแล้วมีทุกข์มียากมีลําบากลําคาญมีดักมีหลวงมีห่วงมีเงามีมืดมีเมือมีมืดมีมีวุฒิมีวายในจิตในใจของเรานะมันว่าไปในนี่ะหละว่าอาจารย์ก็ว่าไปในนี้นหะโลกอันนี้โลกกังวลโลกร้องวายโลกเสียอกเสียใจถ้ามันดีแล้วก็เสียใจถ้ามันดีแล้วก็ดีใจถ้าไม่ดีแล้วก็เสียใจ ไปอนี่มันจะให้ดูโตเก่าดตัวเก่าก็ดูัวเก่าแล้ว เ, าเอาแใจของดีของดีของดีงดทั้งมาหลายคบดูสองก็ไป่ได้นะ่ะอ่าคำมีสองผิดหนึ่หน้อยเนี่ยครับ <c oughs> นั่งกันนางคนเดียวแข่งบาได้ที่แก่งขาบริเตนขามุงกว่าเวานังกระโตไผ่ตัวมันไม่ได้ติดกันโดเขาต้องรักษาเก้ปัญหาในโตัไผ่ตมันเอานี่ความชุกความทุกข์บว่า๋มคุณโทุกตัไผ่ตมันผู้นั่นเนี่ยหนึ่งผู้นั่นบ้านหนึ่งผู้นี่เมืองหนึ่งผู้นั่นเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งตไผ่ตมันเมืองเมืองกญยาครของไผ่บอกมันของไผ่ปอกมัน ขยะดอกมันเป็นอย่างนั้นไม่เปืองอาจารย์นะหวงป่ซาว่าถ้าเราชอนเราได้ก็ไม่เปืองอาจารย์ดอกเหมือนเล้วมเหมือนเหลี่เหมือนเลเรา่ก็ยังเปืองอาจารย์นั่นอาจารย์นี่นาายัยงไม่เด็กเราอ่านะะ ผู้สอนก็เป็นเราแหละผู้ลูกก็เป็นเราแะ่ะผู้ลูกดีก็เป็นเราผู้ลูกไม่ดีก็เป็นเรานี่สอนเจ้าของให้ได้ลาวะนี่ก็ถ้าหาก็หัดไปอยังนี่สอนดูนี่ละอออ่ะเหลวงพ่อเพันเว้าวเน่ยนั่นดูเพป็นผู้ลูกเอาบุญลูกกับพังความเพป็นก็เหตุไป เอากระหาดไปเห็ดไปเห็ดไ ป, ไปจนลมมาจนจนหมดลมขมดล้มเราก็เลี้ยวไปอย่างหมดลมล เ, ลเอาไปาอเอาไปเอาไ ป, เอ า, ไปเอาจนหมดลมเลี้ยวอันละของดี <c oughs> <c oughs> ท่านร่วมอยู่ในนี่โอ้ยทำเป็ดเมืองขี้ท่นประธรรมนาคารล่วงลงเป็นทั้งแทนเดียวบ่ว่าโตเถือกโจเม่เต็มโจไผโตมั่นอยู่นหันแล้วให้คนขี้นั่นนี่หรือนั่งกับคนโจนอนก็บอาเบิงนั่งกับเบิงเจ้าของไปกัูเจ้าของให้เห็นเจ้าของให้ลูกจิตเจ้าของเาวะ เจ้าของดีก็หันเขาเกาแจ้กงานได้เจ้าของไม่ดีเขาปูแจ้งงานได้เจ้าของชู้เาปูแจ้งงานละเจ้าของถูกเขาแจ้อองนแล้ละวะ่ราอ่ะครูบาอาจารย์ควรบอกให้พังแนวนั้นเอาก็ฮัดไปอยู่นี่แหละม้มันคิดเป็นมันคิดเป็นคือบุนวาส น, า น, น, นะจ๊ะดูขมือเดี๋ย ภาวนา ơi, ko 2, อยู่เร okay. ื <t <t <t <t ่อยยูเรื่อยอยู่เรื่อยอู่เรื่อยเรื่อยผ่ายภาวนาเนี่ยให้ภาวนานะก็ออกมาก็ะโมพาภาวนาก็่ได้แล้วให้ลูกเกิดลูกตายให้ลูกลูกลูนี้ลูกเกิดลูกตายสังเกตนี่ตายมื่นเถื่อตายมื่นเถื่อ เกิดมือนเธอตายเมือนเือกำเน่งเกิดกายเกิดเมือนเือตายเมือนเือเอาตายที่โผล่ๆหลวงพ่อคนเมาเนี่ยนั่นเมาก็พี่เจรานาอยู่ไงแล้วนพะเ้บัญหาของเมาแล้วนะปุถุได้เจ้บัญหาได้ก็ได้กะปูุได้เก้บัญหาปุได้กัปบปได้ ความกลวทม่งโง้วก่าจะนี่แหละโรคอันนี้โลกอันนี้จังโรกกงวลโรว่องไวโลกเสียอกเสียใจโรลุกลุกหน้าโรครับบาปรับานโลกหนักโรกหนอกโรคมองโรคเงาโลกเหม็นโรคเงาโรคว่วงโรคไวในจิตในใจของเมานี่โลกสามโรกคนหาปัญญา โกินลบทานโลกสามเกิดมาเขาก็ดีกว่าชัด ท, ท, ทั้งหลายทั้งปวงแหละชัดที่ดินช่องินชัดกอมีดีนชัดมีดูกรับปรมีดูกระตัวอยู่นังอยูอ่โลกมันก็หลายหลายขันละชัดตัวใดสู้คนตัวใดเขาเกิดมาเป็นคนละชุดหนอดชุดหนอดชุดหนอดชุดหนอดมืดตัว น, นั้นปัญญาสู้คนตัวใดเเป็นน่ายเป็นน่ายชัดทั้ทงหลายทั้งปวง ตอือน่นโมได้ตัวได้ไ ด, เ, ดเป็นคนละนยอดลยอดคนละยอดชัดทดั้งหลายทั้งตัวตั ว, ตวอื่นบมได้ชัดที่ตีนสองตีนชัดว่มีตีนชัดมีดูชัดว่าไม่ดูเาเขาก็เป็นเนี่นึงคนถูก่วมนี้พอเขากองหลังหลอ เขาบอกทนหอดศาสนาเขาหนีมาหอดแดียรศาสนาพระเจาเเ้าแล้วออศาสนาพระเจ้าแล้วก็ลู่หนีดูสอบอพวกชาติพอื่นก็มีอยู่ศาสนาเขาเขาก็มีอยู่เขาเขาเขาบูชา ก, ก็ไปดูไปนั่นนั่นน่ะก็เกิดก็ตายตายก็เกิดเกิดก็ตายตายก็เกิดอย่างนั้นเออดูดีก็ ความเฮานี่ตายตายละเกิดเกิดละตายเกิดดีกับนี่เกิดอ่าบนดี่เกิดไม่เกิดสุขกับนี่เกิดทุกข์กับนี่ขู่จักขู่จักขู่จักอ่าทางดีไปเนีนั้นน้าทางไม่ดีไปเนยนั่นแน่มว่าไปเนีนั้นทางดีทางดีทางดีคือเนว่ยใดทางดีคือมีสิมีธรรมมีกินมีทานมีสอ่าไม่สัอ่า มิินในสามสาวผู้ทีมีหานุปนธ์บโอโคสารสาพระพุทธลูกเลยติดีิสระแต่มุ่งคุ้มคอไปเนี่ยนี่อันี้ปัญญาชู่สมื่นสามพไตรดอกมีแต่คนนั้นะเรียงบัวประเทศนั้นประเทศนี้กับประเทศเท่านี้ก็สามอะไรประเทศน่าเป็นครูสวยจะชื่อ เห็นว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นประเทศทั้งนอกอูบลรั่งอังกฤษเขาเห็นเป็นจรวดเรือปิลล์เป็นรถเป็นรางเป็นนัเป็นนี่เป็นหมดทอันนั้นนะชาตินานันเพรานี่บัได้ทำได้กระชวยรดเอามีเงินเสือเอาเงินไเสือมี มีก็เกะไข่เน่เล็กๆนีหน่อยละอายุนั้นแกนมันแล้วทำเป็นเมื่กวานนั่นล่ะมันคนละไรเลืองเอาีนมีจะเป็นผู้ชืเว้ยมันมีฮกษัยมันไม่มีฮกใชยไปนี้ กวาเห็ดกอกเดแก้วเห็ดนันเนี่มันจะไม่เห็ดนอกอะไรเห็ดนันเดนี่แก้วเนองก้ยของงัดคช่ยันโอ้คืออันนี้อันนี้อามาจากเนี่ยน้มันนะเพราะว่าผลเขาเห็ดเป็นนี่อ่าเนี่ยน้มันนี่พลไม้ผละม้ มีของเนีนั่นเนียวนั่นอย่างเนียนนเน้ยของประเทศนอกของอาศจรรย์ไม่แต้ของประเทศนอกทั้งหมดเก็าเฮกนนี่เป็นผู้เป็นผูเน้เป็นไทยอาเชาละกะ้อนอุ่น ทำเมไก็เนาทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้หลายย่างย่างนี้ย่างนึงย่างหนึ่งก็ย่างหนึ่งไอ้ย่างหนึ <laughs> ่งโอ้จ้าเออจับจับจับจับกรนกระนเออนั่นมาอันี้ปื๊ดปดไหานั่นโบใหม่คนตกใจนมันโหดดิ ไปห้ากัมเนไทยก็ใหม่หอบคุ้นหมเลยใหม่บาทใหม่เมืองก็ไหม่เผาเอาอิฐอันนี้เบอบัให้ามใหม่แอ้วไปขาไปซ้ายไปบนนี้โอ้โหโตดังเบอร์เลยโกงอันเดีกันลมร้อนก็มีนะลมร้อนก็มีลมเิ็นก็มีเขาทำนาโอ้ยหนาหนาวเขาเปิดคนสวดขมารห้องโด ลมอ่อนลมเย็นเป็นต อ, องการแหละพอแล้วเอาเย็นมาเอาออกมาละวันนี้ลมเย็นสบายน ะ, ะคือผัดอันนี้ลมเย็นอันนี้พัดฮ้อนก็ได้ฮ้อนได้ไปแบบนั้นอุ่นหน า, น า, นาวหนา้องเปิดไฟหัวหนาว วางมาอุ่นโจ๊อัศจัน์หน่อด้เลื อ, องฟังกันอยูยวล้วภัยอันนี้เติมแกงไม่ได้นะอ่ามิบันห้อนอุ่นเชื่อชื้อนะอ่ะคนเราวนี่เออภัยพูดภัยเตาของเราเนี่ยเตามาใส่นี้อ่ได้ เติมแกงได้นะไปเราทำนะอันนี้เติมแกงไม่ได้นะไปคมงวิเศปัญญาคลนลแนวปัญญาทางโลกแนวหนึน่งปัญญาทางธรรมแนวหนึน่งทอกันทอกันทอกั น, กนไปหนึ่งสี่ก็ปัรรมขารคือกันคือกันแต่ว่าตรง น, นั้นสายไปนั้น สองดีสายเปนน็นมีสู้พลังโบราณแค่ปัญหาโลกนอกโรคในมีนะมีพี่ของเขาทันหมดเลยไปลว่วงมายาบันเจ็บไข้เด็กปราชญ์ป่วยโศตราเป็นลมปิ้งยาของพลังพลังทั้งหมดเลยไม่ลำคาญนาะ อาทางนอกก็คือเป็นรถเป็นรางเป็นจรวดหรือปินหรือเป็นอะไรอะไรพองเขาของเขาต่ง า, างประเทศช่างในอาในเนื้อในกายของเราก็แม่นในกับในไส้น่ะเจ็บไช้เจ็ บ, เจบปุ้งน่ะเจ็บหาได้เออตัดไ้ออกอะอ่ะมีไ่ออ้ตอกใช้ติงน่ะ อาตัดไม่มีนะอาตัดในบีนะมีอะไรในบีปาดออกเราปาดไปได้ดอกพวกเราปาดไม่ได้ปัญญาไม่มีเขาเจ้าปาดได้พวกเรามีแต่ปัญญาทางนอกนะโยนยมยม อ, อาญายาฉันนีนั่นยาจะนี่นี่ น, น, น, นไมนั่นแก้โลกอันนั่นแกนั่นอามา คนกินนะกินนี่ใกินโต๊กินได้อยู่พอได้ขนานั้นของเขารนี่เจาะอะไรเนี่ยเอาใส่ออกชต่นยเป็นโรคอันไหนเป็นโรคลิเเดือนเขาเจาะพีเจาะันหลังพี่อคมโคยคนเฮานี่เฮาบ่ได้ผมไม่ยา ถ้าจะตายจะชื่อขับรถเปลี่ย้วคือคุณบานหัวเลือกหรืคือแหลายปีแล้วยังอยู่คนละนี่ก็เมนเผาถิ่มคหละเลาอ่ะเมนตัวช่างเขาไม่อยู่เจ้าฉันหลังเอาวอกโลกเรื้อตัวนี่ขับปัญญาเขาเก่ง เอาว้เปัญญาหรอกจะกินยมกินยากินนั่นกินนี่ไปแหละ น, นั่นทูมีหลายแนวหลายแนวหลายแนวยาเขาก็เจ้ากะหลายแนวถ้ามันเหลือวิสัยก็ต้องโยต้องท้าตัดแขงตัดขาวบาดอายุมขึ้นหนึ่งมาจากท่านไหนนะ่ยมาจากสหรัฐเขาตัด ตัดชงขาตัดได้ปัญญาของเขาเอานี้ตัดบดได้เหตุตายก็เมนตายลุล้วตัดกับกบ้านเนี่บเขาโย่รถมาเนี่ยมาโอวย่างบดได้โยมขึ้นชฉลินัง่งย่ รลดียู่วอกดียูลวดีเป็นยูมากับนู่นไปชะลุดรยบชะลุดรุดทงรถโอ้บาคนบอมนีแพงขาคนรุ่นได้สองสามปี ได้สองชามปีแ ล, ล้วก็เลยตายตายลายก็ตายเอามาพุ่นแหละตาสหรัฐลูกเราเอามานี่นะเอาดูวบาบานี่เอาดูกแม่ขาปุ้ดดันแหละมาเอาดูกแม่นี่ไปไหลน้ำของเดวะเชนนี้ เราสั่งไว้ลูกชายแล้วก็มามาในวันนี้แหละแล้วก็อยู่อย่างอยู่ตัางเจ็ดตัางได้คนได้หลายวันอยู่มาอะไรตัวก็มาอัดตัสียดีมังกาโปนี่แหละเสียดี คุณแม่ผมก็มานีแล้วแต่ก่อนแะเาก็ ม, าาม่หยามคุณแม่ว่ า, ามามำดินในคุณแม่ไปไหนน่ะเออมรนาภาพแล้วหมดแล้วคุณแม่บอกให้เอากระดูกมาไหลน้าของไา้ฉันเด่เปนฉัไหผมก็มาแล้วก็ไหลไปลเ่ยน้ขอมดทนี่มาเนนั่นจึนั่นเขารลัดลัทเนี่ยนั่น ไรน้ำของคือเดียกับอินเดียอินเดียนี่ก็ไหลไหลน้ำเขาพอยันได้ยันหนึ่งนะมันอืดพื้นในภาพอลนหล่นหล่นหลนจังหน่อยเนี่ยไม่ไม่หมดน้า ม, มันกดพื้นนะ่ะก็คือลงน้ำคุงคาน้ำพงคาก็ไหลไปตกหาดตกอะไรเป็นแห้งเป็นตะอ้าวทั้งหมดเลย เนี่ยวเเนี่ยที่เานี่ต้มผั่นะต้งเผาต้งผั่งต้งเผารักษาให้ดีเขาให้แห้งให้กาดินประเทศใดอีกูกนดานก็ผักผักผักตัดเป็นจอเป็นจอดเป็นจอแง่งออกแง่งออกแง่งออกชาบนทำให้แห้งกากินจประเทศอะไรกันนะเขาบอกว่โห มันหลายเรื่องหลายเรื่องคนไสเลยโอ้คือกันเนาะมันบอกคือกันแหละคนเอาคือกันเตบอกคือกันอาพิธีไม่คือกันเป็นอยู่คือกันนี่แหละชมนั่นพิธีอย่างนั่นชุ่มนั่นพิธีอย่างนั่นมันหลายเรื่องพิธีของใครของมันละ ลูกเฮานี่เออเมืดลมหายใจเผานะถังนะไม่เท่านา น, า น, านาอ่ะพกีนพแก้วถังคูนคนคนไทยคนลาวเฮานี่เผาๆผาเผาเผาเผเานั้นเพนั่นบวเผาบผาคูนเอาเผาเอาเาเผา ไปนะั่นเกี่ยวรกันมันของไปของมันก็ดีข้อคนนั่นแหละเอาแตผู้ใช้อะไรที่ของคนนั้นเป็นนั่นนั่ที่ของคนนี้เป็นเนวนี้เรื่องของไปของมันดอกความดีของไปของมันความมันยันดีเนี้ยนนะ่นก็ยันไปนะั่นนั่นก็รู้กัว 嗯。哦。来一个。对。<咳><咳><咳> เด้อเราพอด้วยไง